เล็กๆน้อยๆของคุณแปรรูปเป็นภูเขาทองพุทธรอคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนี่หละครับเราสร้างมหากุศ ล, ลจิตขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่ริเริ่มคิดบริจาคข้าวของให้แกส่สาธารณชนโดยไม่มีใครชักชวนและไม่มีใครมาขอตำนานเกี่ยวกับพระอินกล่าวว่าที่พระอินได้เป็นใหญ่ในดาวดึงก็เพราะเพียรทาดีโดยไม่มีใครขอ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 สิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนไรเหตุผลแทาทดาวควจริงที่เป็นทุกอย่างดมาเพราะเธอจะไจะดี